เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่ห้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อสี่สิหตรงกับวันอังคารขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฝังธรรมการที่ เราจะดำเนินชีวิตให้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามตรงเป้าหมายที่พวกเราทุกคนปรารถนากันคือให้มีแต่ความสุขความเจริญให้มีแต่สิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่เป็นสิริงมงคลเกิดขึ้นกับเราเราจําต้องกํากับชีวิตของเราคือไม่ปล่อยให้ชีวิต ไหลไปตามยถากรรมเหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือหรือรถที่ไม่มีพวงมาลัยถ้าปราศ จ, จากเครื่องกำกับควบคุมชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราก็จะไม่ดำเนินไปตรงเป้าหมายที่เราต้องการจะไปเช่นเดียวกับเรือที่ขาดหางเสือหรือรถที่ไม่มีพวงมาลัยย่อมยากต่อการ ที่จะควบคุมบังคับให้เรือหรือรถนั้นแล่นไปตามทิศทางที่เราต้องการจะไปได้ชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าไม่มีหางเสือไม่มีพวงมาลัยไว้คอยกำกับมันก็จะไม่เมันก็จะไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนากันดังนั้นเราจึงควรมี เครื่องกํากับชีวิตถ้าไม่มีเราก็จะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเครื่องกํากับชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนมีก็คือสติปัญญา <c oughs> สติปัญญานี้เป็นธรรมสองชนิดแต่มักจะไปคู่กันสติคือการเลก ร, รู้คือให้รู้อยู่กับ สิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณฑทั้งหลายที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์รักอารมณ์ชังแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ไปตามทางความคิด เช่นเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เกิดความชอบขึ้นมาก็เกิดความอยากที่จะได้สิ่งนั้นมาหรือสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกใจก็เกิดความไม่ชอบขึ้นมาต้องการให้สิ่งนั้นๆหายไปหมดไป ผู้รู้ผู้ปฏิบัติคือตัวเราควรที่จะรู้กับเหตุการณ์สิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นถ้าเราไม่มีสติคอยเฝ้าดูอยู่เราจะไม่รู้เมื่อไม่รู้เราก็จะปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นถูกฉุดกระชากลากไปแล้วแต่อารมณ์ต่างๆที่จะเป็นตัวผักดันไป แต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าขณะนี้เรากำลังจะทําอะไรอยู่เรากำลังจะคิดอะไรจะพูดอะไรถ้าเรามีสติเราจะรู้ถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่รู้เหมือนกับคนที่เสพสรายาเมาเมื่อถึงอาการบุญเมาแล้วจะไม่รู้สึกตัวว่า กำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรต้องรอให้เวลาที่เขาหายเมาแล้วลองถามก็ดูเขาก็จะบอกว่าไม่รู้จำไม่ได้เพราะในขณะที่เขามีอาการมึนเมานั้นเขาอยู่ในสภาพไม่มีสติสตังเขาจึงไม่สามารถควบคุมการกระทาของเขา ไม่ว่าจะเป็นการพูดก็ดีการกระทําทางกายก็ดีให้เป็นไปตามที่เหมาะที่ควรได้แต่ถ้าเขาไม่ได้เสพสุรายามัเขาก็จะมีสติพอจะรู้สึกตัวว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่กำลังจะพูดอะไรกำลังจะทำอะไรนี่คือเรียกว่าการมีสติและการไม่มีสติ การมีสติก็คือให้เรารู้อยู่ทุกขณะในปัจจุบันกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นที่มาสัมผัสกับกายกับใจและปฏิกิริยาตอบโต้ของใจวาจาและกายถ้าเรารู้เราก็จะได้สามารถควบคุมได้ถ้าปฏิกิริยา จะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเราก็จะสามารถหักห้ามได้เหมือนกับเราขับรถไปเมื่อเราเห็นว่าข้างหน้ารถเรามีสิ่งที่เป็นเครื่องกีดขวางเราก็จะไม่ขับเข้าไปชนสิ่งกรีดขวางแต่เราจะหักหลบไปเพราะว่าถ้าเราขับเข้าไปชนสิ่งกีดขวาง ก็จะต้องเกิดความเสียหายเกิดขึ้นตามมาฉันใดชีวิตของเราก็คล้ายๆกับการขับรถยนต์เวลาเราไปเจอเหตุการณ์อะไรเข้าเราก็จะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเหตุการณ์นั้นๆบางครั้งก็เป็นปฏิกิริยาที่ดีบางครั้งก็เป็นปฏิกิริยาที่ไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้สึกตัว เราไม่มีสติเราก็ปล่อยให้ปฏิกิริยานั้นออกไปทันทีทันใดถ้าเป็นปฏิกิริยาที่ดีผลดีก็จะตามมาถ้าปเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ดีผลเสียก็จะตามมาเช่นเวลา <c oughs> ไปไปเจออะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจเข้าเราก็จะเกิดอารมณ์โกรธเกิดความไม่พอใจ เกิดความโกรธแล้วก็อยากจะระบายความโกรธนั้นออกมาด้วยวาจาที่ไม่สุภาพแต่ถ้าเรามีสติรู้อยู่ว่าการที่เราจะพูดอะไรออกไปที่ให้เกิดความเสียหายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีแต่จะมีผลเสียตามมาถ้าเรามีสติเราก็สามารถยับยั้ง ว่าจะที่ไม่สุภาพนั้นได้แต่ถ้าเราไม่มีสติพอมีอะไรปรากฏขึ้นมาจิตของเราจะมีปฏิปฏปฏกิริยาตอบโต้ตอบสนองทันทีทันใดปล่อยออกไปตามสุดแท้แต่อารมณ์ที่จะปรากฏขึ้นในขณะนั้นแต่การมีปฏิกิริยาแบบนั้น มันก็มีทั้งผลดีและผลเสียขึ้นอยู่กับปฏิทิริยาของเราถ้าเป็นการแสดงออกในทางที่ดีมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ถ้าแสดงออกไปในทางที่ไม่ดีมันก็เกิดโทษเกิดความเสียหายขึ้นมาดังนั้นก่อนที่เราจะพูดก่อนที่จะกระทาอะไรเราต้องมีสติยับยัง้งคือต้องรู้ก่อนว่า ในขณะนี้เรามีอารมณ์อะไรอยู่อารมณ์โรภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงหรือว่าอารมณ์ไม่โลกไม่โกรธไม่หลง yeah. <Yeah. S 2> เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าควรที่จะให้มีการแสดงออกไปอย่างไร <Yeah. S 2> ถ้าเราไม่รู้ว่าการแสดงของเรานั้น มีคุณมีโทษอย่างไรก็แสดงว่าเราขาดปัญญาเพราะปัญญาจะเป็นผู้ชี้บอกเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องความถูกความผิดถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดปัญญาเพราะคนเราส่วนใหญ่เกิดมานั้นจะมากับความโง่เขลาเบาปัญญา มากกว่าที่จะมากับปัญญาความรู้ความฉลาดแต่ความรู้ความฉลาดนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันได้สามารถที่จะพัฒนาทําให้เกิดขึ้นทําให้มีมากขึ้นไปได้ถ้าเราขวนขวายมันศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ดีที่งามที่ไม่ดีที่ไม่งามที่เป็นคุณที่เป็นโทษเมื่อเรามีปัญญาแล้วเวลาที่เราจะแสดงอะไรออกไปเราก็จะรู้ว่าควรไม่ควรอย่างไรเพราะการแสดงของเราทางกายวาจานั้นมีทั้งที่เป็นคุณและที่เป็นโทษ ถ้าเรารู้ว่าการแสดงออกไปแล้วเป็นโทษเราก็ระงับได้ถ้าเรารู้ว่าการพูดออกไปแล้วเกิดโทษขึ้นมาเราก็ระงับเสียโทษต่างๆก็จะไม่ปรากฏตามมาดังนั้นเราจึงต้องศึกษาหาความรู้หาปัญญาเพราะถ้าเรามีปัญญาควบคู่กับสติแล้ว เราก็จะมีผู้กำกับชีวิตที่ดีที่จะพอยกำกับพาให้เราเดินไปในทิศทางที่เกิดแต่คุณเกิดแต่ประโยชน์มีแต่ความสุขและความเจริญสติปัญญานี้เปรียบเทียบก็เหมือนกับผู้ใหญ่ที่คอยประคับประคองเด็กเด็กเวลาเกิดมาใหม่ๆจะไม่รู้จักเรื่องราวต่างๆว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไร เด็กๆจึงต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นผู้คอยประครับประคองเป็นผู้กำกับสอนให้รู้จักว่าควรที่จะทำอะไรอย่างไรนะฉันใดคนที่มีสติปัญญาก็เปรียบเหมือนกับมีผู้หลับผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเด็กให้เด็กนั้นดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความ ราบรื่นดีงามนั่นเอง <c oughs> ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่เราควรจะมีในชีวิตของเราก็คือสติและปัญญา <c oughs> สติเราควรที่จะเจริญอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เช่นอย่าปล่อยให้เรา <c oughs> <c oughs> ใจลอยไปลอยมาให้พยายามมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะที่เราอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็ขอให้เรา มีความรู้อยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ดีหรือถึงเรื่องที่ยังไม่มาก็ดีหรือเรื่องที่อยู่ที่บ้านที่ที่ทำงานหรือที่แห่งหนตําตำบลใดก็ตามขอให้เรารู้อยู่กับปัจจุบันคือให้รู้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ ขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ก็ขอให้เรารู้อยู่กับการนั่งอยู่ขณะนี้เรากาลังฟังธรรมะก็ขอให้รู้อยู่กับการฟังธรรมะอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นเพราะถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นแล้วแสดงว่าในขณะนี้เราไม่มีสติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะ น, นี้เราจะไม่รู้เช่น เรื่องที่พระกำลังแสดงอยู่เราก็จะไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้มีสติรู้อยู่กับการฟังใจของเราไปรู้อยู่กับเรื่องราวต่างๆที่เราปล่อยให้คิดไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราดำเนินชีวิตของเราบางทีเราทำอะไรเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเรากาลังทำอะไรอยู่หรือทำอะไรไปแล้วบางทีก็ลืมไปว่าได้ทำไปแล้วหรืออย่าง บางคนรับประทานยาประโยคยกๆยังมานั่งคิดดูว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี้เรากินยาไปหรือเปล่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในขณะที่รับประทานยานั้นไม่ได้มีสติอยู่กับการรับประทานยารับประทานไปด้วยแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยพอรับประทานเสร็จแล้วพออีกสักพักหนึ่งกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี้กินยาไปหรื อ, อยัง อย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่มีสตินั่นเองถ้าไม่มีสติแล้วการกระทำของเราจะดีจะชื่วจะเป็นคุณหรือเป็นโทษบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ปล่อยให้มันทำไปแต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้อยู่ทุกขณะว่าขณะนี้เรากาลังฟังอะไรอยู่แลวเมื่อเราฟังอยู่แล้วเราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเมื่อมีอารมณ์แล้ว เราอยากจะทำอะไรมันก็จะปรากฏขึ้นมาบางคนฟังแล้วก็เกิดอารมณ์หนงุดหงิดไม่อยากจะนั่งก็อยากจะลุกขึ้นไปก็มีบางคนฟังไปแล้วก็เกิดความสงบเกิดความสบายก็อยากจะนั่งต่อไปแต่ละคนนั้นมีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสตามทวารทั้งห้านั้นไม่เหมือนกันและปฏิกิริยาตอบสนอง ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นมีสติปัญญามากน้อยเพียงไรคนที่มีสติปัญญาน้อยเช่นเปรียบเทียบเหมือนกับพวกเดรฉ า, าทั้งหลายเดรฉ า, านี่เขาจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยความรวดเร็วเช่นถ้าเราเดินไปเหยียบหางสุนัขเข้าสุนัขนั้นก็จะเห่ากับหรือจะกัดทันที เพราะมันเป็นปฏิกิริยาของเดรัจฉานแต่ถ้าเป็นมนุษย์สมมุติใครเดินมาเหยียบท้าเราก็จะมีสติก็จะรู้ว่าขณะนั้นตนเองได้มีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยที่สุดก็เกิดความเจ็บขึ้นมาและตามมาด้วยความเจ็บใจแต่ถ้าคนที่มีสติก็จะระงับความเจ็บใจนั้นได้เพราะมีปัญญารู้ว่าความเจ็บใจนี้เป็นอารมณ์ที่ไม่ดี ถ้าปล่อยให้ความเจ็บใจนั้นระบายออกไปก็จะต้องไปมีการกระทาตอบโต้บุคคลที่มาเหยียบเท้าเรานี่คือลักษณะของคนมีปัญญาคนมีปัญญาจะรู้ว่าเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นไปแล้วเท้าเขาก็เหยียบเราไปแล้วความเจ็บของเท้าก็ปรากฏขึ้นมาแล้วแต่อย่าไปเจ็บใจเพราะเจ็บใจแล้วจะสร้างความโกรธความแค้นขึ้นมา แล้วจะต้องนำพาไปสู่การทะเลาะวิวาทต่อการทำร้ายร่างกายกัน <c oughs> ถ้ารู้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดี <c oughs> ก็สามารถระงับได้นี่คือลักษณะของผู้ที่มีสติมีปัญญาจะรู้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบเมื่อเมื่อกระทบแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรก็จะรู้ทันทีถ้าเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ดีไม่งาม นำไปสู่ความเสียหายความวุ่นวายความเดือดร้อนก็จะระงับปฏิกิรยาเหล่านั้นเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อระงับได้ก็จะนิ่งเฉยไม่มีอาการอะไรอย่างมากก็อาจจะยิ้มกลับไปบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องมันผ่านไปแล้วของให้อภัยกันได้นี่คือลักษณะของคนฉลาดเพราะว่าจะทำให้ไม่มีปัญหาตามมา ไม่มีเรื่องราวตามมาแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาพอโดนโดนใครเหยียบเท้าเข้าก็จะเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาก็จะเกิดความรู้สึกว่าถูกเหยียดหยามหาว่าไม่ให้ความเคารพอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องมีการว่ากล่าวกันต่อว่ากันถ้ามีการตอบโต้กลับมาก็จะต้องมีการ ทำร้ายร่างกายตามมานั่นเป็นวิสัยของเดรัจฉานหรือของผู้ที่ไม่มีสติปัญญามนุษย์ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีสติมีปัญญาต้องรู้จักแยกแยะอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรเมื่อรู้แล้วก็จะสามารถทําให้การดําเนินของชีวิตของตอนนั้น เป็นไปในทางที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องที่จะนำมาแต่ความสุขความเจริญได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะขวนขวายศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเ <c oughs> ช่นพระพุทธองทรงสแสดงไว้ว่าการกระทาของเราทางกายวา จ, จาใจนั้นมีทั้งคุณและทั้งโทษการแสดง อ, อกที่เป็นโทษก็คือทางกายก็คือ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การลักทรัพย์3การประพฤติผิดประเวณี 4. การเสพ <c oughs> การเสพสุรายาเมาการกระทําเหล่านี้เมื่อกระทาไปแล้วจะมีแต่โทษตามมาการพูดที่เป็นโทษก็คือการพูดปดมดเท็จการพูดคาหยา การพูดเพ้อเจ้การพูดเอสอบเสียดคือพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกแตกความสามัคคีการยศพูดแบบนี้ถือว่าพูดไปแล้วไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์แต่จะกลับเกิดโทษขึ้นมาความคิดที่เป็นโทษก็มีความโลภความโกรธและความหลง นี่คือการกระทาที่ผู้เจ้าทรงบอกว่าไม่ดีเป็นโทษไม่พึงที่จะกระทำาการกระทาที่ดีคืออะไรก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพสุรายามเราการพูดที่ดีก็คือไม่พูดคำคาเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพื่อเจอ ไม่พูดส่อเสียดความคิดที่ดีก็คือคิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่หลงนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะคอยดูแลอยู่เสมอว่าเวลาที่เราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรนั้นมันไปในทิศทางไหนถ้าไปในทางโลภโกรธหลง ก็ควรที่จะระงับความคิดนั้นเสียเพราะว่าถ้าไม่ระงับแล้วความคิดนั้นจะนําพาไปสู่การพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนั่นเองเมื่อพูดไม่ดีกระทำไม่ดีแล้วผลเสียก็จะตามมาต้องมีเรื่องราวตามมาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะต้องเข้าคุกเข้าตารางหรือในที่สุดก็จะต้องถึงกับเสียชีวิตไป ก็เพราะว่าไม่มีสติปัญญาไว้คอยดูแลคำกับรักษาการกระทําของเราให้อยู่ในกรอบ <c oughs> ของความดีงามนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะเจริญสติและปัญญาอยู่อย่างสม่ำเสมอ <c oughs> การเจริญสตินี้สามารถเจริญได้ตลอดเวลาคือตั้งแต่เตินขึ้นมา เจอกระทั่ง น, นอนหลับไปเลยเช่นเวลาตื่นขึ้นมาก็ให้มีความรู้สึกตัวว่าขณะนี้ตื่นขึ้นมาแล้วกาลังคิดจะทาอะไรอยู่เบื้องต้นส่วนใหญ่เมื่อตื่นขึ้นมาก็จะคิดจะลุกขึ้นเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ให้รู้ว่าตอนนี้กำลังมีความคิดนี้อยู่แล้วก็พิจารณาดูว่าการคิดนี้จำเป็นหรือไม่จำเป็นควรจะทาหรือไม่กระทา เมื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าร่างกายจะต้องมีการขับถ่ายระบายสิ่งต่างๆออกมาก็มีสติให้รู้อยู่ว่าขณะนี้กำลังจะลุกขึ้นเมือ่อลุกขึ้นก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นเมือ่อเมื่อยืนขึ้นก็รู้ว่ายืนอยู่และเมื่อกำลังเดินเข้าห้องน้ำก็รู้ว่ากำลังเดินเข้าห้องน้ำนีค่คือการฝึกให้มีสติอยู่กับตน ให้อยู่กับาการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจขณะที่ทำกิจวัตรต่างๆในห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันหรือทำอะไรก็ตามก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำนั้ น, น, นอย่าทำไปควบคู่กับการคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเพราะถ้าเช่นนั้นแล้วถือว่าไม่มีสติเพราะว่าเผลอละกำลังทำอะไรก็ไม่รู้บางทีแปรงฟันไปแล้วบางทียัง จำไม่ได้เลยว่าแปลงซี่นี้หรืออย่างแปลงข้างบนแล้วหรืออย่างหรือแปลงข้างล่างแล้วหรืออย่างเพราะว่าขณะที่แปลงไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแต่ถ้ามีสติอยู่กับการแปลงเราจะรู้อยู่ทุกขณะเลยว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างแล้วอย่างไรและเราก็สามารถควบคุม สติให้อยู่กับการเคลื่อนไหวเวลาที่เราออกไปทํามาหากินทํางานทําการเวลาพบปะกับใครเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบ ก, ก็ให้รู้แล้วเวลาที่จะระบายอารมณ์นั้นก็ต้องแยกแยะออกมาว่าควรจะระบายหรือไม่ระบายถ้าเป็นความรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจไม่พอใจก็ต้องระงับอารมณ์นั้นออกไป เพราะคนเวลามุด่ดจิจไม่สบายไม่พอใจจะพูดออกมาไม่ดีจะทําอะไรไม่ดีก็จะทําให้คนอื่นเขาไม่ชอบพอใจจะทําให้เขามีปฏิกิริยาตอบโต้ที่ไม่ดีกลับมาแต่ถ้าเราระงับอารมณ์แบบนั้นได้แล้วพยามสร้างอารมณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้คือแทนที่จะโกรธก็ให้อภัยบอกว่าไม่เป็นไรคนเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟัน ก็ต้องมีกระทบกันบ้างหรือว่าคิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าใช้กรรมเก่าเกิดมาแล้วก็ต้องมีคนที่เขามาทวงหนี้กก่าจากเราเราเคยสร้างหนี้สร้างเวรสร้างกรรมไว้ในอดีตพอเมื่อถึงเวลาที่เวรกรรมนั้นมันจะส่งผลให้มันก็ส่งมาในรูปแบบเคาะกรรมต่างๆหรือเจอคนที่ไม่ถูกอกถูกใจที่คอย หาเรื่องหาเรากับเราอย่างนี้เราก็ต้องฝึกหัดทําใจอย่าไปโกรธเขาเพราะความโกรธนี้มันจะทําให้เราต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมซึ่งเป็นการชุดลากตัวเราเองให้ลงไปสู่ที่ต่าให้เราไปสู่กองทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเรารู้สัตย้แล ะ, แ ล, ะ, แ ล, ะและงับยับยัง้งเราก็จะไม่มีการที่จะไปพูดในสิ่งที่ไม่ดี จะไม่ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้เขาจะทำร้ายเราถึงแม้เขาจะพูดไม่ดีว่ากาลใส่ร้า ย, ายต่างๆนานานดุดาด้วยวาจาที่หยาบคายแต่เราจะไม่ตอบโต้เมื่อเราไม่ตอบโต้แล้วเรื่องมันก็ผ่านไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเขาได้ระบายในสิ่งที่เขาต้องการระบายแล้วเรื่องมันก็จบ มันก็ไม่มีปัญหาอะไรตามมาชีวิตของเราก็ก็มีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็นนี่ก็เป็นเพราะว่าเรามีสติมีปัญญาคอยควบคุมการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาสังเกตดูบางวันชีวิตชีวิตของเราจะมีแต่ความว้าวุ่นมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่ความไม่สบายอกไม่สบายใจ เพราะว่าเราไม่รู้จักระนับอารมณ์ต่างๆเวลาเรามีอารมณ์อยากให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วมันไม่เป็นไปดังที่เราต้องการเราก็จะเกิดความโหงุดหงิตนี้ไม่ดีเราก็ต้องไปมีเรื่องมีราวกับคนที่ไปที่ขัดขวางหรือ ม, มาทาในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้กระทา แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมานี่ก็เป็นเพราะว่าขาดสติขาดปัญญานั่นเองแต่ถ้ามีสติมีปัญญาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามขอให้เราเข้าใจไว้ว่าการที่เรามีเรื่องมีราวทะเลาะ บ, บอกแววงกันทุบตีกันต่อสู้กันทำร้ายกันนี้ไม่ใช่เป็นการ รักษาศักดิจสีของตัวเราแต่เป็นการทำลายศัิจสีของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ที่ประสริฐนั้นจะไม่มีเรื่องกับใครจะรู้จักให้อภัยจะรู้จักถอยจะรู้จักหยุดจะรู้จักยอมถ้ารู้จักหยุดรู้จักยอมใจก็จะเย็นใจก็จะมีความสุขใจก็จะสบายซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนากัน แต่เพราะความที่เรามีความหลงครอบงามอยู่เวลาใครมาทำอะไรให้กับเราที่เราไม่พอใจเราก็ต้องตอบโต้เขาเพราะว่าเราถือว่าเราต้องรักษาศักดิ์ศรีของเราใครมาทาร้ายเราแล้วเราปล่อยให้เขาทาร้ายเรานี่แสดงว่าเราเป็นคนขี้คลาดเราเป็นคนไม่รักษาเกียรติยศของเรานี่เป็นความเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดเป็นความคิดที่เราเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบ เป็นความสงนั่นเองผู้มีสติปัญญานั้นจะต้องรักษาความสงบความร่มเย็นเป็นสุขไว้โดยทุกกรณีนั่นแหละจึงถือว่าเป็นการรักษาศักดิ์ศรีของเป็นของมนุษย์ที่แท้จริงเพราะว่าถ้ามนุษย์ทุกคนรักษาศักดิ์ศรีแบบนี้แล้วมนุษย์เราทุกคนจะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราไม่ได้อยู่กันได้ด้วยความสงบสุข ก็เพราะว่ามนุษย์เรานั้นไม่รักษากิจยศของมนุษย์นั่นเองเราเอาความหลงคืออัตตาตัวตนมาเป็นที่ตั้งถ้าใครมาทำอะไรไม่ถูกใจให้กับเราเราถือว่าเข้ามาหยามน้ำใจย่ามาหยามตัวเราเราต้องทาร้ายเขาต้องทำโทษเา่าอย่างนี้เป็นต้นสังคมจึงมีแต่ความว่าวุ่นกลวนมัวมีแต่ความวุ่นวาย ไม่ไม่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นเราจึงควรที่จะเห็นเห็นคุณค่าของสติปัญญาถ้าเราต้องการที่จะดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปได้ด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความซื่ความเป็นสิริมงคลมาหาเราก็ขอให้เราจงนาวิถีทาง ของที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันคือให้มีสติและมีปัญญาคอยดูแลรักษากายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในทํานองคองธรรมคือให้คิดดีพูดดีทำดีคือคิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่หลงพูดดีก็คือไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดคำหยาดไม่พูดส่อเสียดทำดีก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพสุรายาเมาถ้าเราสามารถปฏิบัติตามแนวทางท